ท่านสาธุ 11 มกราคม 2532 ก็ขอทบทวนเรื่องราว 9 มกราคม 9 เวลาประมาณ 9:30 เวลานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ดีตามปกติ อาหารข้าวหวานกับชาวกรุงเทพฯที่ไม่ขาดแต่ละวันมากันสายและหลาย <c oughs> แต่จังหวัดอื่นๆเช่นลพบุรีเป็นต้นทรงความมา ในช่วงนี้มันทรมานมากเวลาที่รับแขกบรรดาท่านผู้บริษัชก็มีการวุ่นวายแต่ว่าอาศัยขันติเป็นเครื่องช่วยเพราะว่า แล้วท่านทุกจังหวัดที่มาสลับกันไปกลับกันมาที่พูดนี้จะไม่ครบทุกบริบูรณ์อีกสายหนึ่งก็พิกิจพุทธบูเนี่ยมาประจําเหมือนกันก็ความว่าเกือบจะทุกจังหวัดที่กันไปกลับกันมาวันอาการเมื่ออาการร่างกายเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องตกอยู่ <c oughs> ต้องคิดว่าความตายอาจจะเข้า 9 มกราคม 2532 กำลังเกาะเอกนี้อยู่เหมือนกันก็สิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่ตุคือนอนแต่ข้างขวาท่านนั่งอยู่ เห็นมือเพิ่นนมกันเห็นมนดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่คิดคอยญาณไม่ใช่ <c oughs> พอนี้ขาน 2 ขานมือ 2 ข้างประนมพร้อมกันก็สงสัยพริกไก่หลุดมานอน บางจึง ให้รายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพญากาญจนบุรีก็ถามได้ว่าพญาหลายนักนักครบนักรักนักแสวงหาโชคลาภกรุงความพญากาญจนบุรีนี่ พระเจ้าสามพยาครับบริการได้ตอนนั้นมาในที่สุดบรรดาศาสตร์ครั้งสุดท้ายหลังจากเป็นพยาอื่นในนามของ รัชกาลที่ 2 ทางราชการสมัยนั้นถือว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นแหล่ง ว่าคุณพ่อน่ะชอบหาทองหาทรัพย์สินทรง ว่าเรื่องจะลืมนะว่าทรัพย์ใต้ดินเมืองกาญจนบุรีก็เลยถามท่านยะกุล ร่วมทําการหากับข้อทางราชการมอบหมายให้หาทองกับเงินแลกทองกับแร่เงินส่ง การซื้อทองณในการเวลานั้น 9 บาทเรียกว่าทองเนื้อ 9 ถ้ามีสิ่งเจือ 200 บาทกับ 6 บาทเรียก 6 บาทคําว่าเชื้อปนใหม่ว่าเค้า การรู้เรื่องแรกวิชารู้เรื่องแรก ท่าน การหาทองใช้วิธีอะไรบ้างท่านบอกคนหนึ่งดูดีๆลักษณะของดินว่า ปันดินขึ้นมาดูให้พี่ส่วนกันว่าถ้าดิน ถ้าถามความลึกของเงินและทองและแร่ต่าง อาจารย์คงก็สอนเหมือนกันใช้วิธีหลับตา จะรู้กันหมดว่ามีสีฉัน 1 กับ 2 นี่ก็ใช้กันตาม 3 ถาม 3 คือวิธีแบบไหนท่าน คือผีปรายประจำท้องถิ่นนี่ถ้าติดต่อ สังเกตคำว่าผีไกลประจําผืนผืนนั้น อยู่ที่ไหนมีปริมาณเท่าไหร่ขุดลึกเท่าไหร่ไปถึงดินชั้นไหนจึงมีสีสันวรรณะเป็นอย่าง 3 นี่เป็นวิธีการ แล้วว่าถ้าจะขุดจะอนุญาตไหมบางจุดท่านก็อนุญาตบางจุดก็ไม่อนุญาตเพราะว่า 3 ฤกษ์การเห็นหมดแต่ ขุดลึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะอำนาจเทวานุภาพ ถามแล้วว่าแร่ทองกับแร่เงินเนี่ยกันมั้ยให้บอกไม่ได้รวมกันมันต้องคนละแห่งที่ของใครก็ที่ของหรือไผ่ศีล ประจำพื้นที่ต้องมีเครื่องสังเวยมั้ยท่านบอกว่าเป็นของธรรมดาต้องมีเครื่องสังเวยถามว่าเครื่อง ขึ้นชื่อว่าระเบียบปฏิบัตินิยมกับ ท่านก็ยิม 90% ของจังหวัดเป็นทองและเงิน ก็อยากจะเตือนพี่น้องชาว ที่พึงได้ทรัพย์สินนั้นหลาย <c oughs> <c oughs> มีเขาลูกหนึ่งสูงได้ง่ายกว่า ทางด้านที่เท่าซ้ายมือน่ะ <c oughs> ค้นเจอจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาเพราะเพียงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ๆอย่างที่เราๆก็สามารถทําได้เยอะ สนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะถามท่านบอกว่าเงินแท่งคงคลังนี่มันหมายถึงอะไรท่านก็จิ้มถึงบอกว่าทอง ไอ้บ่เวลานี้เห็นว่ายังทําไม่เคยได้การเวลายังไม่สมควรนักวิทยาศาสตร์ทํา สักเท่าไหร่จะไม่หมดขออย่างเดียวจะทําลายต้นน้ําลําทานต้นน้ําลําทานอยู่ตั้งไศลพม่าจะ แล้ว 3 อย่างนี้ก็จะกลายเป็นทองคํา มันๆ 1,000 ปียังไม่ได้ๆไอ้การเกิด ก็ถามได้ว่ามันไหลมานอก ท่านย้ำว่าจุลีมัน <c oughs> ปริมาณส่วนหนึ่งของแรกจะทําเหล็กเหนียวและเหล็กแข็งได้ดีอีกส่วนหนึ่งของแรกจะใช้ดัง มีเนเดนถามแล้วว่าสมัยของ ถามท่านว่าพื้นที่ราบเชิงเขาหรือพื้นดินเรียบจะมีไหมพรหมเทวดาท่านก็บอกว่ามี ให้ก็ชี้จุดให้ทําไม้ไปปักให้ดูเป็นสัญลักษณ์ของไม้ถ้าไม้ <c oughs> ก็ถามแล้วว่าสมาธิทํา แต่บอกว่าจิตใจของมนดาพวกกับผมก็ผมก็ดีคุณพ่อก็ จะบริจาคทรัพย์ รายการนี้เป็นรายการของธรรมะก่อนจะจบก่อนจะหมด สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกไม่มีใครอยู่เมื่อเราจะทราบว่าตายจึงพยายามรักษาความดีตัวเฉพาะอย่าง Yo me deven